25 กันยายน 2537 เป็นการบรรยายพระอภิธรรมเบื้องต้นเรื่องโลกุตตรจิตโดยอาจารย์สุเทพโพธิศรัทธา โลกุตตรกุศลจิต 4 โลกุตตรวิบาก 4 หรือผลจิต 4 ได้อธิบายซึ่งในวันนี้จะได้นําเอา ของโลกุตระจิตก็คือการละกิเลสคือทั้งมรรคก็เป็น เป็นการละด้วยการทําให้สงบระงับเรียกว่าปฏิปัสสัทธิปหานะปฏิปัสสัทธิคือทําให้กิเลสที่อ่าโลกุตตระกุศลหรือมรรค 4 เป็น กองไฟ 2 ประเภทกองไฟกองประเภทหนึ่งนั้นเป็นกองไฟใหญ่ธรรมดา 2 ส่วนคือในส่วนหายเป็นชั้น ความร้อนที่เป็นไอร้อนที่อยู่ในกองไฟนั้นให้ ต่อเนื่องกันระหว่างสมุติเขตประหารละกิเลสเพราะกิเลสที่เป็นอนุสัยนั้นถือว่าเป็นกองไฟใหญ่ส่วนการละด้วยอํานาจของของวิคคัมมนา เกิดขึ้นจากการรักษาศีลบ้างเกิดขึ้นจากการจากการทำวิปัสสนาบ้าง 2 อย่างที่เราเค้า ในอภิธรรมคัมภีร์ที่ 1 กล่าวเนี่ยเรา อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบของท่านอ่าด้วยนี้ขันธ์พนาประหารแล้วด้วยอํานาจของฌาน ทำหน้าที่ข่มกิเลสก็ทําหน้าที่ข่ม พบใหม่ฌานใหม่ซึ่งเราก็จะเห็นว่าฌานวิบากเนี่ยไม่มีผล แล้วก็ไม่มีการละอะไรอื่นอีกเพราะเหตุว่ากิเลสในชั้นของที่ฌานข่ม ด้วยอํานาจของศีลด้วยอํานาจของวิปัสสนาวิปัสสนานั้นโดยสงเคราะห์จิตแล้วก็เป็นมหาวุจจจิต 8 ดวงเวลา กิจการละกองไฟกองเล็กนั้นได้ด้วยระหว่างมรรคกับอนเทียบกับโลกิยะกุศลกับโลกิยะ ก็นายอยากจะพูดต่อไปนิดนึงว่าอาศาภัพ ไม่มีกําลังกล้าวิริยะในนั้นจิตดวงจิตดวงนั้นก็ไม่เป็น เช่นผิดกับโลกุตระวิบาก 4 โลกุตระวิบาก 4 นั้นคือฉันทาเป็นอธิปติจนกระทั่งถึงปัญญาหรือสมาธิฐิติ วินิจฉัยทางความรู้สึกอย่างมีความเป็นตัวเนี่ยอำนาจของกุศลหรืออำนาจของอกุศลถ้าเป็น อกุศลเลออกุศลแต่โลกุตตระวิบากนั้นไม่มีลักษณะของความด้านส่วน เป็นชวนะจิตซึ่งชวนะจิตจิตที่เรียกว่าอยู่ในโลกใหม่อยู่ในโลกปัจจุบันอ่าถ้าเราผ่านตัวชวนะจิตเป็นจิตที่เหมือนกับ การเปลี่ยนแปลงทางนิสัยก็ดีหรือการทํากรรมใหม่ก็ดีก็ปรากฏตรงชวนะจิตนะไอ้กิริยาเนี่ยมันก็มี 2 ตําแหน่งอยู่เหมือน ความเป็นวิบากที่มาทําชวนกิจเนี่ยจึงทําให้มีลักษณะของวิบากเป็นก็ นิพพานเป็นเป็นไสยกรรมที่ผมพูดเองเทียบกับปัมรู้สึกอย่างใน วิบากเหล่านั้นเป็นตัวสั่งสมการจุติแล้วจะนะแต่เนี่ยไม่ถือว่าเนื่อง ต้นไม้เนี่ยมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ ลูกได้ไม่ต้องรอดอกมันได้ในปีนั้นทีเดียวไม่ต้องรอ เรียกว่ากรรมได้เหมือนกันแต่ปฏิเสธความเป็นสังสารวัฏเป็นกรรมวิวัฏเป็นวิบาก อธิบายเป็นข้อเท็จจริงอีกส่วนหนึ่งนะฮะคือเทียบอย่างเราเนี่ยเวลาที่เรา กับพระอรหันต์เข้าผลสมาบัติเนี่ยกําลังเสวยวิบากจิตอยู่ด้วย ทีนี้เรามาดูหน้าตาของแล้วก็รสชาติอันนี้ถึงเราจะ บ่เข้าสมาบัติเข้าสมาบัติบางคนเค้าก็ว่าเข้าญาณบ้างอะไรบ้างก็ หลังของกระสุนต่อไปอ่ะทีนี้เรามาเทียบว่าเวลาในขณะหลับเรารู้ไม่ว่าเมื่อเราหลับเป็นอย่างไรหลับ หลับอย่างเป็นสุขหรือหลับอย่างไม่เป็นสุขเรารู้ได้เมื่อไหร่เรารู้จับ ตั้งวิบากจิตของเราได้อย่างเหมือนกับเราดูหนังสนุกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกอย่าง มีอาการโรคภัยไข้เจ็บกําเริบหรือทํางานหนักไปอะไรแต่ตื่นขึ้นมามันก็มีฝนตกค้าง เราเมื่อคืนเราไม่ได้ตื่นในระหว่างนั้นบ่อยไม่ได้ลุกไปปัสสาวะไม่ได้ลุกไปกินยาแก้ปวดท้องปวดหัวอะไรหรือไม่ได้ฝันจริงๆนั้นเรา พระอรหันต์เข้าสมาบัติพระอรหันต์เข้าสมาบัตินั้นเมื่อ เมื่อสักครู่นี้ 1, เม 1 ชั่วโมงนี้ 2 ชั่วโมงนี้ที่ผ่านมาเราทําสมาธิ <c oughs> อ่าตอนทํานั้นก็อาจจะมีกิเลสอุนวนไว้แต่ว่าตอนตอนปัจเจวรถึงเนี่ยตั้งสติไว้ดีนะก่อนจะลุกออกจากอาสนะหรือลุกแล้วมาให้ปากคําแก่อาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน ถ้าถามว่ากรณีของคนมีกิเลสวุ่นวายเรามีกิเลสวุ่นวายอย่างนั้นอย่างนั้นกับคนที่ได้สติดีแล้วนึกย้อนหลังด้วยสติเมื่อออกแล้วเช่นจิตในระหว่างเข้ากรรมฐาน ความเข้าถึงความเข้าใจในความรู้สึกนั้นเข้าถึงความเข้าใจในความ แล้วก็จิตเมื่อมีสติเนี่ยมีสติเมื่อใดเมื่อใดมันก็สว่างเท่านั้นนะมันสว่างเข็นอย่างเนี้ย จะเกิดความสำนึกเกิดความเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นนะฮะเข้า เพียงแต่ว่าสําเร็จแก่ว่ายอมรับว่าเราเกิดอกุศลมากแต่อกุศลเป็นยังไงเล่ห์เหลี่ยมมันเป็นยังไงอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งอะไรแล้วแต่ว่าใครจะเกิดอกุศลแซกมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมพูดให้ ท่านจะอ่านความรู้สึกแยกความสุขมิท่านได้ออกเป็นส่วนๆอย่างชัดเจนปัจเจวคจึงปรากฏปัจเจวคขณะอย่าง beginner ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะยกอ่านี่ผมเอาตรงนี้ให้หลุดก่อนว่ายก ผมไม่แน่ใจว่าผมตั้งคําถามท่านจะเข้าใจคําถามผมหรือเปล่านะก็เพื่อให้แน่ใจขึ้นผมถามอีกครั้งนึงนะว่าพระอรหันต์เข้าผลสมาบัติแล้วก็เนี่ยนะตอนปัจเจก การที่ท่านนึกได้อย่างชัดเจนนั้นเป็นความสามารถเป็นเพราะความดีของปัจจเวกขณะ 1 ถ้าหากว่าท่านเข้าผลสมาบัติท่านไม่ปัจเจเวกท่านก็ไม่ไม่ได้นึก อย่างลายนึงอย่างนางฟ้าอย่างนางในในวัสดุนี่เหมือนกันปานเอาผ้าถิกมาถวายแต่จะไปถวายตรงๆเนี่ยรู้ว่าท่านแมวก็เอาไปทิ้งไว้บนกองหญ้าในวันที่ท่านต้องการ จากโดยทิ้งที่กองอยากเยอะท่านพระอนุรุทธก็เดินผ่านที่กองนี้แล้วก็ชักตะบังสะกดเอาผ้านั้นไปทําเนี่ยถ้า การเมื่อวานนี้ยังไงเพราะอะไรเราก็จะมองไอ้การประเมินด้วยสติปัญญญานะถ้าไม่ปัจจเวกก็ เนมะบาเตวะถึงผลญาณผลธัมมาบัติซึ่งมีลักษณะที่มันสว่างมันแสดงตัวมันเปิดเผยนะก็มองเนี่ยที่ ผมมาเทียบกับการหลับของท่านว่าไม่ได้ทะลุ เป็นพืชพันธุ์อยู่ในผลจิตของเราอย่างในในภวังค์จิตของเรา เวลาหลับจิตถึงท่านเป็นไงวางจิตเป็นไงมองคนอื่นว่าคนนี้มีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์ไม่แก่กล้าอย่างไรมองตะลุเข้า จิตในขณะตามฆมถานรูปกิเลสเนี่ยที่เข้ามาลบโกน ไอ้รู้เรื่องใช้การอนุมานเอาบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเป็นข้อ เกิดขึ้นจากมรรคดังที่ที่ได้อรรถาณาไว้ในเพียงจุดเดียวๆนะที่บอก ที่เจริญฌานที่เป็นโลกุตตระหมายถึงเจริญมรรคให้เกิดขึ้นออกไปจากโลกอันนี้ นิพพานนั่นเองทิ้งอารมณ์โลกทิ้งอารมณ์สังขารทั้งปวงไปหนองอนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีผลทําให้เพื่อละ อริยะอื่นก็ล้างอดิเรกตัวอื่นไปโดยลําดับเพื่อบรรลุภูมิที่เรียก ถ้าพูดถึงตรงติดโลกุตตระฌานเนี่ยเป็นสมุจเฉททบอหาญเลย เป็นทุกข์ขาปฏิปทาทันตาปัญญาเป็นต้นอืมก็อวิญญาติอันนี้ผม เป็นโลกุตระกุศลนาที่ท่านพูดพูดนําแล้วก็พูดถึงโลกุตระวิบาก ว่างเปล่าเพราะธรรมอนัตตามาอันนี้ก็ฟังจริงๆไว้ ในข้อความที่พระองค์จะกล่าวซันนิวะอันเป็นวิบากเพราะ เอ่อไม่ใช้คําว่าได้ทําแล้ว แต่พอมาจะอธิบายค่อนข้างจะเป็นตำราไปนิดตำราหมายถึงเป็นเรื่องค่อนเพื่อ ได้หลักเบื้องต้นไว้เยอะแล้วเท่านั้นอันนี้ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสมาใช้คําว่าเจริญเจริญหมายถึงการพัฒนาการพัฒนาตัวเอง ส่วนโลกียกุศลเนี่ยครับท่านใช้คําว่าสังสมทําแล้วทุกๆวันฟังเทศน์ฟังธรรมก็ตามแสดงธรรมก็ตามให้ทานก็ โดยสำนวนพุทธพจน์เนี่ยท่านใช้คำว่า แต่ว่าในความหมายอีกด้านหนึ่งว่าในความหมายอีกด้านหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยบุญที่เราทําก็ไม่ชื่อว่าสั่งสมนิดนึงก็ชื่อว่า เก็บเปลือกผสมน้อยแต่ท่านพูดหมายเอาว่าสังสมสังสารวัฏเหมือนกับเพราะผู้ได้สังสม เอ่อในเง่ของทางพระในขั้นนี้เราทําบุญนิดนึงก็เชื่อนี่บุญอย่างสังสมที่ ต้องอปัจจยะค่ะอปัจจยะประมาณจึงไม่ดังสมใช้คําปฏิเสธอาจยะเลยใช้คําตรงๆก็คือเจริญเจริญแล้วทําให้มากแล้วจนก็เลยเห็นว่าพระอริยะ สติสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโลกิยะที่ชาวโลกหม่วงปรารถนาอยากจะได้ท่านก็ไม่ ก็สังสมคิดว่าแต่เราเอาบางอย่างสังค์เพราะไอ้คำว่าไม่เอาของเราหาไป แต่ถึงเราจะไม่ได้นึกว่าเราไม่เอาอะไรเลยแต่ว่าลองไล่เรียง ท่านไม่สามารถจะสั่งบอกให้เราเลิกก็เลิกได้ได้ที่เราทําได้ก็คือ สั่งสมเปรสั่งสมอสุรกายสั่งสมสัตว์เดรัจฉานคนที่ทําบุญก็สั่งสมสุคติโลกสวรรค์ธรรมฌานก็สั่งนะว่ามรรคใดผลใดเกิด สมุจเฉทประหารคือละเด็ดขาดละอะไรเด็ดขาดละโลภทิฏฐิกตัตตัมมยุตติวิจิกิจฉาในหมวดตัมมยุตติๆซึ่งมีอยู่มาก สัตถาคามิมรรคอนุคาระปาหานโลภะทิฏฐิกตะวิปยุตติ 4 โทสะมูล 2 โมหะอุตตัจจ์อีก 1 คือทําให้เบาบางทําเนี่ยให้เบาบางเนี่ยเป็น ไอ้ของเราเนี่ยเราไอ้เรื่องละยกเลิกไปเลยซึ่งอกุศลดวงนั้น ความเป็นอายุจํากัดมีเงื่อนไขเยอะแยะได้กันที่จะ อระหตอนาคามีมรรค สมุจเฉทปrahาน โทสะโมหิจิต 2 นี่คือละขาด 4 หมอ 1 อีก 5 ดวงเป็น 12 ดวงละ 12 เลยครับเป็นอัน เท่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะมีมีเป็นสังคารมีอนาคาเอ่อคือผมอธิบายเนี่ยอรหันเนี่ยละสมุจเฉทไม่ๆให้หมดไปเลยหมด ไม่ใช่เพียงแค่ละจํากัดพฤติกรรมบางอย่างส่วนพระสากาถาคามีเนี่ยตัวท่านเองอํานาจมรรคนี้เองไม่ ส่วนสกาถาคานั้นละทุติกรรมเท่านั้นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเช่นว่าคน บอกว่าประมาทจะอ้างเหตุจําเป็นยังไงก็ตามยังฆ่าไม่ฆ่าเชื่อกรรมไม่เชื่อแต่ก็มีข้ออ้าง ที่จะกล้าไม่ได้ส่วนพระอนาคามีเนี่ยท่านก็มีโลภะทิฏฐิกตาวิปยุตมีโทสะ 2 โทสะ แต่มันหมายถึงไม่ได้ละตัวแต่ 2 มรรคคือโสดาปัตติมรรคกับอนาคามิมรรค 2 มรรคนี้นะ 2 อย่างละ 2 อย่างคืออย่างโสดาปัตติมรรคเนี่ยละเด็ด 5 อย่างนี้ กิเลสใดที่มรรคละได้แล้วเนี่ยไม่ต้องพูดว่าต้องจํากัดพฤติกรรมของกิเลสตัวนั้นเพราะละกิเลสตัวแต่กิเลสส่วนอื่นที่เหลือกิเลสตัวอื่นที่เหลือ ผมยกตัวอย่างเช่นว่าคนมีโมหะอุทธัจจะครอบงำอย่างรุนแรงจนกระทั่งกลายเป็นอย 2 อยู่เราก็ยัง 2 อยู่ โสสามุจฉิ 2 เรเรเรายังไม่ได้ละขาดถ้าโสดาบันยังไม่ได้ละขาดแต่เราเนี่ยยังไม่ได้จํากัดกล่าว บริภาษติเตียนโดยไม่เป็นธรรมแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไปได้มั้ยแน่นอนเราบอกเรากลัวบ่าวเราไม่กล้า ถึงเรานี่ไม่ได้ละเด็ดขาดเพียงแต่เรามีสัตตามาคุมมีศีลมาคุมมีใจมาคุมอย่าว่าแต่พระพุทธ นะเห็นมูลของมันมันเปลี่ยนได้ก็ด่าไปถึงตัวมันไม่รู้ ได้เลื่องได้เรื่องหนึ่งไอ้อย่างเราบางเรื่องเราอาจจะไม่โกรธเพราะอิจฉาไม่เกลียดเพราะอิจฉาอย่าง จึงจะโกรธใครเข้าเพราะความดณีเนี่ยไปคล้ายๆไป เคยมีสามีภรรยาเป็นพระโสดาบันก็คงจะเป็นโสดาบันใหม่ๆอ่ะบุญยังตามไม่ทันก็ยากๆเมื่อเห็นพระ 2 คนก็ เอาไปสวายปลายเต็มหมดจนกระทั่งตัวเองก็ทนอดพอทนอดขึ้นเนี่ยคนอื่นเข้ามาลูข้าวคนดีเนี่ยคนก็ ก็จริงตําหนิที่เตือนเรื่องก็ทราบไปถึงเจ้าท่านจึงห้ามธราเนี่ยไป บุคคลที่ขอฟอร์มจะให้เนี่ยต้องระวังเรื่องการที่จะไปทันบัญญัติอย่างนี้ไม่เนี่ยเค้าเกิดแทนเพราะคนที่ คุณพระศาสดาบาลเนี่ยมาพระอ่ามาบิสบาลวันนี้ก็แล้วอีกวันนึงก็ แล้วก็มองในแง่การบริหารการปรองดองกฐาไว้ต่อสังคมดูว่าถ้าเป็นอย่างเราเป็นอย่างเราเนี่ยถ้ามาเจอเขาอย่างนี้เรา เรา 2 คนก็ก็ไม่พอกินแล้วเออแล้วเกิดปราศสังเกต 2 ก็อาจจะ ไม่สามารถบางเวลาจํากัดพฤติกรรมได้อย่างเด็ดขาดมันจํากัดได้ในบาง นี้โลราบันท่านอาจจะมีโทสะมีลักษณะอย่างอื่นด้วยหน่อยโทสะที่เกิดขึ้นจากความกรุณาสงสารเห็นคนตกทุกข์ใน แสดงอาการอยากชาออกมามันอย่างปุถุชนแต่ว่าๆที่สุดเนี่ยใจท่านคุณเป็นพอไปแต่งที่แฝงใจดำเกล้า อีเหล่านี้ตาลักตัวเนี่ยมีๆแล้วก็จะแสดงอุปันอยู่ ที่มีสมุฏฐานมาจากกิจอะไรอันนี้ก็ฟังพอเป็นคล้องเครื่องประกอบเป็นเครื่องประกอบเอ่อโลโทสะเป็นเจตนาของปาณาติบัตโดยแน่นอนอย่าง โลภโทสะก็ได้โทสะก็เป็นอตินาทานเป็นเหตุแห่งอตินาอตินาทานที่แปลว่าลักทรัพย์เนี่ยเราอย่าไปนึกว่าลักเพราะความกําหนัดติดใจในทรัพย์เท่านั้นจึงจะเป็นอตินาทาน แล้วก็ไปทําลายทรัพย์สินของเขาเป็นอริยทานมั้ยเป็นครับท่านถือว่าเป็นเป็นครับสมมุติว่าเอ่อ ผมก็เคยตั้งปัญหาเล่นๆว่าผมไม่ซื้อไม้มาจํานวนแล้วอันละ 300 กว่า 30 อันเราดังอันแล้วมันอะไรแต่อะไร นี่เข้ามาตั้งปัญหานั้นว่าของนี้เราเมื่อ อ่าเป็นหรือไม่เป็นร่ออะไรอ่ะแล้วถ้าลองตอบนะตอบตัวเองอ่ะทีนี้ห่างล่ะอ้าวเนี่ยเพราะเค้าไม่รู้เรารู้แล้วเรา แล้วจะทําไง 1 เอาไปคืน 2 เอาเงินไปให้ได้ที่นะถ้าอย่างนี้ว่าอย่างนั้นเราก็ตายอย่าอย่าได้อยู่ให้ แล้วไม่งั้นเอาไปเผาทิ้งสิอ่าก็บอกงั้นไปทําบุญดิเดี๋ยวที่ทุ่งสวนนี่ก็ไป เป็นน่ะแต่ว่าเพราะเราเราไม่ แม้จะไปทําบุญถุนทานของเราไม่เอานี่เค้า เป็นสงกราเป็นอทินนาทานคือหลักศัพท์อ้าวนี่ก็เอ่อพูดให้เห็น ในความโกรธด้วยอะไรก็มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้แต่ตัวที่เป็นเจ้าของกรรมบทนี้จริงๆคือตัวโลภะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเรื่องของอกุศลกรรมบท 3 ข้อนี้พระโสดาบันมีมั้ยไม่มีไม่มีในทางพฤติกรรมแม้ไอ้พฤติกรรมทางกายเนี่ยนะไม่มีแม้แต่ความคิดก็ไม่มีพฤติกรรมในทางความคิดก็จะไม่มีเลยเมื่อ อ่าเฉพาะอกุศลกรรมบท 3 ข้อนี้เอ่อผมก็พูดพูดมาเนี่ยไม่ถ้าถ้าใครมีอเมริกา กาละกิเลสในทางอภิธรรมเนี่ยเอาตัวองค์ธรรมมาตั้งนี้ถ้าจะให้เห็นชัดเนี่ยต้องเก็บเอาเช่นศีล 227 ของ โสดาบันใบบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็สมาทานศีล 227 ผมก็ 227 เนี่ย 5 มากปัสโสดาบันละ 227 ได้เด็ดขาดหรือไม่ เอวปศีลได้ศีลเล็กๆน้อยๆดีไม่รู้ คือศรัทธาเป็นต้นแรงพอที่จะไม่ทําให้ สิ้นทุกข้อทั้งที่บัญญัติขึ้นมาเพราะมีกิเลสเป็นสมุฏฐาน อันศีลเล็กๆน้อยๆที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้พระอรหันต์ซึ่งมีเป็นหลักเป็นเป็นประมุขในตอนนั้นจึงตกลงกันที่จะรักษาไว้ทั้งหมดไม่ที่เป็นพระๆน้อยๆได้ เทียบบางตัวให้เห็นว่าอย่างอุทธัจจะอุทธัจจะ เออรู้สัจจันธ์นี่ถือเป็นกิเลสละเอียดนะฮะแต่ 3 บุคคลนี้มีอ่าเรามนุษย์ถึงความคิดปรุง ความคิดฟุ้งซ่านเหมือนกันมั้ยครับเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนเลยไม่เหมือนมี อันใดอันหนึ่งนะเป็นตัวหลักอยู่แล้วก็อาจจะมีความคิดอื่นเป็นเบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 ไปโดยลําดับ เหมือนดูความคิดของเด็กเราไปดูเด็กดูความคิดที่เขาเด็กคิดฟุ้ง ความคิดความนึกเรื่อยเปื่อยนี่เป็นอันหนึ่งนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอ่อความ อุตริจาปกุจฉาของบุคคลที่ไปทําบาปไว้แล้วก็มาคิดกังวลเป็นนานมากคือบางคนก็เอ่อเป็นพวกๆมัน ทีนี้เราก็มามองมามองคนอื่นแล้วก็ต้องกลับ ตามภาษาของเรานะฮะที่มันเป็นเรื่องๆเรามันมีแล้วก็ความคิดเนี่ยเอ่อ ไอ้แนวน้อมของกิเลสตัวอื่นเพราะความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากไอ้แนวน้อมกิเลสตัวอื่นเป็นพื้นฐานคน เจอหน้ากันทีทีไม่ได้ถามอะไรเลยถามแต่เรื่องภรรยาบางเรื่องสามีบางอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยดูที่ แต่ทําไปทํามาเออเด็กมันก็วาสนาดีโตขึ้นมามันก็สร้างฐานะจนร่ํามีอยู่เหมือน อ่ะเล่าเรื่องสักเรื่องให้ฟังนี่ในประสบการณ์เมื่อผมยังยัง คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีญาณอย่างรู้ญาณวิเศษเนี่ยมาถึงก็ก็คุยบอบอกหมายให้คุยอย่างเงี้ยมันคุยได้ผมก็คุยได้งั้นลองพิสูจน์ สงว่าเมื่อก่อนนี้ก็เรียนหนังสืออะไรกันใด ต้องคุกครีกันมานานมากเลยเราก็มองแล้วไม่ไม่มีแกใจที่ กลัวตัวขนาดหนักกลัวเจ้าลูกมันเป็นพุทธะเราไม่เคยคิดเลยสักนิดนึงก็เลยอัมบายธัมมาก็เลยมาครั้งเดียวแล้วหายไปเพื่อนก็มองพ่อแม่ไม่มาแล้วกลัวผมจะล้างสมองลูกให้มาเป็นพุทธก็เลยไม่เจอกันเลยจนบัดนี้เนี่ยก็เป็นในลักษณะที่ว่า เมื่อก่อนนี่กังวลว่าลูกจะไปชอบพอถึงจุดนี้กังวลว่าลูกมันจะไปไหนไม่ได้แล้วนะจะอยู่กับพ่อแม่เราก็เลยเลยสงสัยมอง กังวลห่วงใหญ่แล้วพฤติกรรมในทางกังวลนั้นนะที่ และอกุศลธรรมบางอย่างที่ได้ทําไปแล้วๆเลยนางหลานคน ประพฤติถูกใจเลยย่าเข้าวัดหลังก็เข้าวัดย่าเลี้ยงป้าหลานกุฏิกุจจ์ช่วยถูกใจยากย่าไม่ย่าเลยไม่เป็นอันดำบุญเหมือน ท่านไปทําความผิดราบทางวินัยอย่างที่ปรากฏในวินัย 2 เนี่ยก็เกิดความเป็นกังวลห่วงใหญ่หรือว่าบางครั้งนี่ก็ เกิดความรู้สึกตัวนี้ตกกังวลขึ้นมาอย่างนี้นั้นความที่ตกกังวล ความคิดอย่างของเรามันก็จําลองออกมาจากไอ้หลักๆนี้ว่าถ้าพูดอันปุถุชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยความในหมู่ปุถุชนเนี่ยอย่างเรา คนที่เป็นบุรุษชั่วมากๆก็คิดแต่จะเอาจะจะเอาจนกระทั่งกลายอย่างฝังแล้วก็จะไปทําอะไรแม้จะไปทําความดีไปดูแลชาติบ้านเมืองยังไงก็พกเอาความคิดนี้ไปว่าจะเอาจะ ที่ครับบริหารดูแลเพื่อนร่วมสังคมเพื่อน แล้วคนถ้าคนไม่ใจลอยถามว่าคิดถึงเรื่องอะไรอยู่นี่เอาประเภทที่มีลักษณะเด่นหมายใจลอยเนี่ยใจลอยคิดถึงเรื่อง เนี่ยพวกนี้กันระหว่างอริยะเป็นชั้นๆชั้นๆขึ้นไปเนี่ยพอไปถึงขั้นพระโสดาบันเนี่ยเอาๆเรื่อง เทียบเหมือนกับบุคคลที่ปฏิบัติธรรมจนเข้าที่จนได้ที่อย่างดีนิพพานไม่กลัว เข้าใจไม่ได้เลยไม่ได้นี่ถึงจะนึกเข้าใจได้ก็รู้สึกกระเหม๋เป็นความคิดที่แล้วก็ พอไปถึงพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีแล้วมี เราก็ตีค่ากันที่อารมณ์ว่าห่วงอะไรแล้วก็ไม่ตีค่าที่ความรู้สึกเนี่ยมัน หรือเป็นโลภะหรือเป็นอุตตจะโมหะอะไรกันต่างถ้าไม่เป็นกิเลสแล้วมันก็จะ โอกาสจะบรรลุก็เลยเป็นไปได้นั้นพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ไม่ห่วงแต่ท่านไม่ได้ห่วงว่าเค้า ไม่เหรดรตั้งจิตให้ดีได้อย่างแล้วมาสําหรับในที่นี้นะเนี่ยก็เป็น ครบทวนไปแล้วแต่ว่าก็เลยอย่างเงี้ยอ่าสงัดไปดิ มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากมันจะเป็นมัดเป็นเกณฑ์วัดโสดาบันได้อย่างชัดเจนเลยครับเราแทบ อย่าเจรจาเสริมเรื่องตนุกราปประหารอย่างที่พระอนาคามีท่านทํา ยังเหลืออยู่และส่วนที่พระอนาคามีตนุกะระกะหาร แต่ของพระอนาคามีนั้นโลภาทิฏฐิกตวิปยุตนั้นไม่ไม่มีอารมณ์แล้วเนี่ย แต่งตัวงามๆมาแล้วมามันขับล่ององค์ฟ้อนลําองค์ 1 แตดีดมือดีดซึ่งบรรยากาศมกุณอารมณ์น่ะเหล่านั้นกลิ่นก็หอม ก็ท่านรับรู้มองแล้วบางว่าปรุงสังเวชด้วยคาถาบางสกุลว่าอนิจจาวตสังขาราอย่างที่เรามาจริงๆนะแต่พวกท่านเอาจริงไม่ใช่ทีทีเล่นน่ะจริงๆน่ะ มันจึงก็กล่าวเป็นคาถาออกมาปทีก็นึกในระหว่าง บทบังสกุลกุศลจิตกับอกุศลจิตที่กันก็ต้องผวนกันไปผวนกันมาอย่างนี้เพื่อกับกับอสกตาท่านทําได้ครับแต่ถ้าเป็นปุถุชนมีทั้งอับไม่โยมเนี่ยพูดได้แหละอาตมาไม่โยมพูดสาย คือความรู้สึกเนี่ยหมายรู้สึกด้วยโลภะทิฏฐิกตัพพยุตที่มีอารมณ์เป็นกามมันก็หมายความว่าถ้าอย่างนี้ก็คือเกิดกิเลสตกาม อยู่ในป่าก็เป็นวัตถุกามมันแต่คือห้ามจิตอันนี้ไม่ให้มาเกิดในอารมณ์เหล่านี้เอากุศลเอาสติปัฏฐานมาจับอารมณ์เหล่านั้นเดียวก็เรียก โลภะกับละกิเลสกามได้ละกามฉันทะได้ไม่ได้ ละกิเลสกามได้โลภะที่ท่านมีก็ไปมีอารมณ์ จึงต้องเกิดใหม่ว่าเออคนนี้เป็นคนตั้งมั่นอยู่ในสิ่งก็เกิดความชอบติดใจอยู่ แม้อาการสูญธรรมก็ถอนความติดแล้วก็ยังจะไปติดคุณธรรมอันนี้เราจึงได้ ติดคุณธรรมสูงต่ำแค่ไหนอยู่ที่อ่าคุณธรรมของตัวผู้ติดนั้น ถ้าชั่วพอพอกันก็ยังว่าดีอยู่มาถึงติดคุณธรรมเนี่ยมันก็คน ไอ้ตรงนี้อ่ะคนคนก็จะไม่สู้จะเข้าว่าเอไม่รักความติดแล้วมีความรู้สึกมันหมดความสุขมัน เพราะฉะนั้นทีนี้เราจะดูให้แน่ใจแล้ว ตามใต้ด้วยวาสนาว่าคนที่เค้าไม่ทําอย่างเราทําไม่ถึงเราไม่อยากไปนั้น เวลาที่เราเข้าไปในร้านเดียวขายข้าวขายของเรา ใช่มั้ยหรือแม้แต่สําหรับลูกหลานของหลักไม่แถมแม้แต่ของหลักจะมองมองแล้วไม่มีคุณค่า ได้ของใช้กรรมกรนูมองแล้วก็ไม่มีศาลาสุขชั้นสูงของตัวเองเหลือเปล่าๆ พอแล้วรู้สึกอย่างนี้แม้ดูทั่วทั้งห้องมันรู้สึกไปทั้งห้องอ่ะใจได้ไปสูงมาก ตัวเองเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางความสุขตัวเองไม่มีความสุขอย่างอันเนี้ยพอเราเห็นผมเห็นมีหลายคน แต่ถ้าไม่ถ้า